นั่งละอกุศลแล้ ว, ลวจเจริญแต่กุศลจะบรรลุได้ยังไงก่อนมันจะไปจับอารมณ์ใหม่โยมปล่อยวางก็เข้าวิมุตต์เลยพระเจ้าจึงให้ละความเพลินให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงจนกะทั่งโยมหลุดไปปุ๊บวินาทีเดียวเนี่ยโยมกลับมาได้วิญญาณละเอียดแล้วยังถือว่าหยาบเลยหยาบผล น, นิพพานอีกมากต้องเห็น <c oughs> เห็นเชื่อมกันทั้งขนนะันท่านว่าอะไรเข้าไปสร้างการเกิดอะไรเข้าไปสร้างทําให้ดับลงไปน ะ, ะก็คือจะเห็นวิญญาณขันเนี่ยวนอยู่ในสีท่าน ไปห่วงภัยภายนอกภัยภายในเนี่ยอันตรายที่สุดเลยเมื่อไม่ชัดเจนในคำพระศาสดาก็ทำกันไปกรางสองอย่า ง, างนางมลิกาอยากจะสวยรวยสูงสักถามผู้เจ้าว่าจะทำยังไงที่ผู้เจ้าก็บอกวิธีตรวจวัดไปให้แล้วถ้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นน่แต่ก่อนเคยหลุดไปครึ่งชั่วโมง แข็งแรงที่จะลอยตัวอยู่ได้แล้วนะเพราะพวกแรกเนี่ยตกแล้วก็จมเลยพวกที่สองนี่ยขุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็จมพวกที่สามเนี่ยขุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่พอพวกที่สี่ปุ๊บเนี่ยลอยตัวแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มหาฝั่งละเพราะเท่ากับว่าโสดาบันเนี่ยก็คือยังมีกีเลส ตัวตะวันยังยังอยู่ในน้ำอะ่ะเหมือนยังไม่คล น, น้ำยังไม่้นจับสังสารวันเพราะคนที่ที่แห้งจริงๆนั้นเนี่ยก็คือก็เป็นฆ่ารหารผู้ที่พนแล้วพนน้ำเพราะส่วนใหญ่จะอธิบายถึงเป็นแบบลักษณะของห่วงน้ำห่วงม ห, มหาสมุทรอย่างเนี้ยว่าเราเราเหมือนอยู่อยู่ในห่วงน้ำ หรือในห้วงสมุทรนะที่ยังหาฝั่งไม่ได้นะอือฮะคือคาว่าคือได้เป็นกิจราคาแล้วเตงแต่ยังไม่ได้เป็นอรหรันต์อ่าฮะถ้าคือถ้าขหมายจะจมก็คือยว่าคือได้แล้วแต่ว่าจะไม่ถึงฝั่งแค่นั้นเอง ใช่ยังไม่ถึงฝั่งนะ <c oughs> แล้วคําว่าจิตประพัดสอนนะครับออืในความหมายบาลีท่านท่านนะท่า น, ท, า น, ท, านท่านตีความหมายว่ายัางไงครับจิตประพัดสอนใช่ไหมมันจะมีบางท่านจะตีว่าจิตเดิมออืบางท่านบางน่าจะตีว่าจิตนี้ออืซึ่งคำสองคําเนี่ยความหมายมาันเลยต่างกันเลยนะครับออืแล้วบาลีโดยบาลีเนี่ย ต้องต้องเทียบก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยก็ใช้คําว่าประภัฒสอนพือประพัฒสลังหนึ่งนะก็คือประพัฒสอนแต่ถ้าโดยนิยามของคําว่าจิตเนี่ยนะมันก็คือจิตมนุวิญญาณที่ยังเกิดดำตัวเนี้ยต้องต้องเทียบอีกว่าคําว่าประพัฒสอนที่พระพุทธเจ้าบอกตรงเนี้ยจะหมายถึงจิตในอสังขตะ นะหรือว่าอสังคตะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยตรงเนี้ยดูดูแล้วน่าจะเป็นสังคตะนะีเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันก็ประพัดสอนเหมือนกันเนะี่ยนั้นตัวของอสภาวะของวิมุตติเนี่ยมันมันไ ม, มไม่มีงามหรือไม่งามเนะี่ยแต่ตรงนี้มันต้องเอา เอาคําว่าประพัดสอนเนี่ยของพระุทธเจ้ามาเทียบเคียงแล้วก็เอาคําว่าจิตตรงเนี้ยเพื่อจะให้รู้ความหมายที่พระุทธเจ้าต้องการบอกตรงนี้เพราะตรงนี้ก็พูดกันไปคนละแนวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะยังไม่ได้มีโอกาสเทียบเคียงวา่าจิตประพัสสอนตรงเนี้ยพระศาสดาใช้ตรงไหนแต่ถ้าโดยบทพันชนะเนี่ยน่าจะเป็นจิตที่ยังเกิดดับนะวันก่อนก็ลองเทียบดู หลายอัานเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เยอะต้องต้องการเยอะกว่านี้นะต้องหรอความสนใจของโยมเนี่ยจะมีทั้งคําว่าทั้งคําวันนี้และเดิ ม, มจะมีแค่ว่าจิตประพัดสอนใ ช, ใช่ไหมครับใช่คือมันจะบริสุทธิ์ทัพหนึ่งจนกว่ากิเลส จ, จะเข้าไปกิเกรดไปจับตัวลมปุ๊บมันก็เริ่มเปลี่ยนใช่ไหมครับคือแต่เดิ้ตัวเดิมของมันก็คือเฉยเฉยอย่างนั้นใช่ไหยครับ ถึงตัวเดิมมันเฉยๆมันก็เกิดดับเพราะจิตดวงนี้เกิดเกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนก็ไม่ใช่วิมุตติอยู่ดีนะเพราะนั้นถ้าเป็นไอคาว่าจิตนี้ก็เพราะฟันธงไม่ได้ก็เลยแปลว่าจิตนี้ดีกว่านะที่คนแปลนะฟันธงไม่ได้ว่าเป็นฝั่งไหนเป็นฝั่งวิมุตติหรือสมมุติเพะนั้นจะดูว่าฝั่งวิมุตติส ม, มุติจะต้อง เอาพระสูตรตรงนี้มาเทียบเคียงค่อนข้างเยอะว่าผู้เจ้าใช้อย่างไรนั้นอย่างเหมือนกับคําว่าสุญญาตาเนี่ยแต่ก่อนเราจะคิดว่าเป็นเรื่องของวิมุตต์อย่างเดียวและสุญญาตาเป็นชื่อแทนวิมุตต์หรือนิพพานด้วยแต่จริงๆสุญญาตาก็ใช้ได้ตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตานิโรธแล้วก็ถึงนิพพานโดยทั้งหมดเป็นคําที่กว้างนะ ก็ตรงนี้ต้องเทียบเคียงก่อนว่าผู้เจ้าเนี่ยใช้คำว่าจิตรประพัฒสอนเนี่ยกว้างแคบขนาดไหนแต่ถ้าดูแล้วที่ดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะเป็น อ, อยู่ในสังคตะระบบของส ม, มุติอยู่เป็นวิญญาณขันนะซึ่งวิญญาณขันมันมันก็มีความประพัฒสอนของมันเหมือนกันนะมันมีอสสาท า, ามีรสอร่อยของมันนะ <c oughs> แล้วสิ่งที่จนมาก็คือตัวอารมณ์สี่ธาตุเนี่ย เมื่อมีการเข้าไปสัมผัสหรือผัสสะในสีท่านเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้มันเศร้าหมองเกิดขึ้นนะอือ mm hmm. แล้วให้เจริญแต่กุศลทีนี้อยากทาบเหตุผลครับว่าจะบรรลุได้อย่งไรนั่งละอกุศลแล้วจเจริญแต่กุศลจะบรรลุได้อย่างไร เ, เวลาจเจริญกุศลของโยมคืออะไรล่ะกุศลของพระเจ้าก็คือนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกขณะรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยณวินาทีนั้นมีอกุศลเข้ามาไหมาไม่มี พอจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติขณะรู้ลมมันจะไม่ไปรู้อย่างอื่นนะถ้าไปรู้อย่างอื่นก็คือลืมลมแล้วใช่ไหมผู้เจ้าจึงบอกว่าเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะในลมหายใจเนี่ยยมอยู่กับลมหายใจเข้าออกขณะนี้คือกุศลที่แท้จริงแล้วถามว่าจะได้วิมุตย์ยังไงยมก็มาให้ ค, ควรเนี่ยจุดที่เราอยู่เนี่ยลมหายใจที่เรารู้เนี่ยมันมีธรรมชาติอะไรล่ะ โยมก็จะรู้จักธรรมชาติสองอันเพราะลมเนี่ยไม่มีความรู้อะไรลมไม่ใช่ชีวิตลมที่มันพัดไปมาเราสูดดึงเข้าไปในกายแล้วก็ปล่อยมันไหลออกมามันคือชีวิตเหรอมันไม่ใช่ชีวิตแล้วใครนะรู้มันอยู่ว่ามันกำลังไหลเข้าไหลออกอะใช่นั่นก็คือวิญ ญ, ญาณขานันหรือจิตหรือผู้รู้โยมก็เห็นธรรมชาติสองอันทำงานอยู่ด้วยกันคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้คือลม ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณขันเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในรูปตั้งอยู่เนี่ยก็ตั้งอยู่ได้น่ ะ, ะเป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสบก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้นั้นวิญญาณเนี่ยมนานั่งใสรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยส่ธาตุเข้าไปตั้งอาศัยได้หมดนั่นคือวิญญาณกําลังเกาะกับรูปคือลมหายใจแตนี้เวลา วิญญาณเกาะกับรูปมันสามารถเกาะไปได้ตลอดกาลไหมไม่ใช่ไหมผลที่สุดมันต้องดับใช่ไหมเพราะว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนขณะที่มันดับปั๊บเนี่ยก่อนมันจะไปจับอารมณ์ใหม่โยมปล่อยวางก็เข้าวิมุตต์เลยเพราะวิญญาณที่ไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่วิญญาณดวงเดิมไม่ใช่วิญญาณที่เกาะลมหายใจแล้วไปคิดเรื่องอดีตมันวิ่งทุตุตุๆุตุ ต, ตุไปหาอดีตไม่ใช่ วิญญาณดวงนี้จะดับดวงใหม่จะเกิดเห็นไหมนั้นขณะที่โยมรู้ลมหายใจพระพุทธเจ้าบอกเข้าไปเพ่งเฉพาะดีๆนะพอวิญญาณดว ง, ดวงที่เกาะลมดับปั๊บเนี่ยโยมมีกําลังพอไหมล่ะถ้าสติปัญญายมพอโยมไม่อยากได้วิญญาณต่อไปโยมปล่อยวางก็คือหลุดพ้นเลยนะพราจุดที่วิญญาณเปลี่ยนเนี่ยมีการเปลี่ยนของวิญญาณมันเป็นวิญญาณคนละดวงกันเมื่อวิญญาณคนละดวงมันต้องมีรอยต่อ ใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ดวงเดียวกันนอืม่ยใช่ช่วงจังหวะลอยต่อที่พอวิญญาณดวงนี้ดับปั๊บโยมลงหยุดภาพวิญญาณดวงนี้ดับไปแล้วรูปก็ดับไปเพราะมันปล่อยรูปแล้ววิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนามธรรมใหม่ก็ยังไม่เกิดณเซี่ยววินาทีนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่มีวิญญาณไม่มีรูปไม่มีนามพุทธเจ้าบอกที่ใดไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปนั่นแหละคือที่สุดของทุก มากสุดๆเลยล่ะมันไม่ทันหรอกอันนี้ยังไม่ทันหรอกค่ะอือนของเรานี่หลุดไปแล้วหลุดไปหายไปสิบนาทีครึ่งชั่วโมงกว่าจะรู้ตัวใช่ไหมผู้เจ้าจึงให้ลักความเพลินให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งโยมหลุดไปปุ๊บวินาทีเดียวเนี่ยโยมกลับมาได้หลุดปั๊บกับพิพตาเดียวกลับมาได้เนี่ยผู้เจ้าเริ่มชมละจากนั้นโยมต้องเร็วกว่านั้นอีกเวลามันต้องเห็นตั้งแต่มันจางคายหลุดไปแล้วตัวใหม่จะเกิดขึ้นโยมถึงจะ แท้เข้าไปเนี่ยมันเร็วไม่เลยพระเจ้าจึงบอกว่าวิญญาณที่เกิดดับเนี่ยหาอุปมาอะไรเทียบอย่างยากเลยมันเกิดดับเร็วมากเลยนะซึ่งพระเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนกับฟองน้ําเนี่ยฝนตกลงมาในผิวน้ําเนี่ยในมหาสมุทรหรือแม่น้ําเนี่ยย่มดูมันเกิดฟองที่ผิวน้ำเนี่ยก็ดับกระดับยิบไปหมดเลยแต่มหาศารมากมายนับไม่ทั่วเลยน ะ, ะแล้วการเกิดดับฟองนึงเกิดโปะ๊ะแตกโป๊ะแตกโปะเนี่ยนะ เนี่ยลักษณะของอุปมาของการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณและการดับไปนเนี่ยโอ้วิทยาศาสตร์มันเล็กไม่พอนะห <c> า <oughs> อุปมาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ม, มันยังเป็นแค่้าดินน้ำไฟลมตัวนั้นนะแต่นี้มันเข้าไปถึงนามธรรม ขนาดนมามธรรมเนี่ยความคิดของคนเนี่ยยมว่ามันเล็กไหมล่ะแต่ความคิดของคนยังจัดว่าหยาบเลยนะมันก็เหมือนกับเป็นเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งไม่สามารถแทรกเข้าไปอยู่ในนิพพานได้นะแล้ววิญญาณเน่ยยิ่งละเอียดกว่าเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในนามธรรมาพวกนี้ได้อีกอะ่ะนะโหใครละเอียดกว่าใครอะ่ะวิญญาณละเอียดแล้วยังถือว่าหยาบเลยหยาบกว่านิพพานอีกมากแทรกเข้าไปในนิพพานไม่ได้ นั่นถ้าการ น, นิพพานเนี่ยเป็นความว่างอย่างยิ่งที่รองรับทั้งหมดเลยทั่วโลกธาตุทั้งหมดทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมขนาดอากินจัญ ญ, ญาจตนะสมาธิที่บอกว่าว่างหมดว่างไม่มีอะไรเงียบหมดแต่มีอะไรมีวิญญาณเข้าไปรู้ได้เห็นนะวิญญาณมันละเอียดกว่าความว่างอีกนะมันมีความว่างในระบบสมมุตินะ่ะอ่า และยังมีความว่างที่รองรับระบบของความว่างนั่นอีกอ่ะโอ้ไม่ต้องประเมินเลยนี่าสอนว่าจะทอะไรก็ให้ลวเกชบกับปิาเาการิามาเป็นเครื่องวัดใช่ใช่ฝึกทไปเรื่อยๆดับการเกิดอ่ะจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บมันสร้างการเกิดพอเกิดปั๊บเนี่ยนํามันจะนำไปสู่ชลาหมอนะ ก็คือดับเหตุเลยทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุแก่ตายเนี่ยเกิดเพราะเหตุต้องมีเหตุจึงมีแก่และตายเหตุมันคือเกิดนั่นเองนั้นพอจิตสร้างการเกิดปับ๊บพระเจ้าก็บอกดับเหตุไงดับชาตินั้นถ้าเราคอยดับชาติคือการเกิดเรื่อยๆ เ, เนี่ยชาติมรณะก็จะหมดไปดับไปน่ะ อาจารย์บอกอกาสครับ uh huh. ในอนาปาณสตินะครับคือคำถานนี้ไม่เชิงเป็นภวจนะแต่ว่าอา่าผมถามก็ใครรู้นะครับคือการหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยนะครับมีบางท่าน น, นบอกว่าเอาหายใจเข้าพิ่มใหยุดนิดนึงกั้นนิดนึงแล้วค่อยปล่อยออกคือการที่กั้นเนี่ยให้รู้ว่านี่คือทุกข์ถ้าหายใจเข้านไม่หายใจออกก็เป็นทุกข์ ไ อ, อ้เนี้ยใช้ได้เลยครับระยะอย่างเงี้ยผู้เจ้ไม่ได้บอกอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเติม <c oughs> นะก็ <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรนะทุกในที่นี้หมายถึงการที่มันดับหายไปนะการที่วิญญาณขนันการรับรู้เนี่ยดับไปนะขณะที่ดับจากลมไปเนี่ยลมไม่มีทําไมไม่ดูตรงนีเน้เวลาลมไม่มีเนี่ยให้ทันไหมล่ะ ม, มีใครทนัน ส่วนใหญ่ลมหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปทันอีกทีตอนคิดไปยาวแล้วเห็นนะไม่ทันเนี่ยมันไปนั่งรู้ไอ้กั้นลบใายใจชั้มันไม่ได้อะไรหรอกนี่มนแค่ไปนะครับแค่ไปมันไม่ได้ไม่ได้เชื่อมกันระบบของขันท่ามันไม่ได้เทียบกับวิญญาณเลยมันก็สรุปล้วยังไม่เห็นขันท่าทำงานอยู่ในสี่ขันอีกใช่ไหม โสดาบันเห็นการเกิดดับเนี่ยต้องเห็น <c oughs> เห็นเชื่อมกันทั้งขันท่านะว่าอะไรเข้าไปสร้างการเกิดอะไรเข้าไปสร้างทําให้ดับลงไปนะอ่าก็คือจะเห็นวิญญาณขันเนี่ยวนอยู่ในสี่ธาตุนะที่พระพุทธเจ้าบอกโสดาบันเนี่ยเครื่องวัดโสดาบันเพราโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมาธาตนี้นะวนอยู่ในสี่ธาตุเนี่ยนะเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ดูจิตเรา ไปรู้อะไรบ้างไปรู้นี่กลับมารู้รูปเดี๋ยวหลุดไปรู้นี่สังขารเดี๋ยวไปรู้สัญญาเดี๋ยวไปรู้เวทนามันจะวนอยู่แค่นี้อ๋อกายใช้เป็นเทคนิคที่ให้รู้จักความนิ่งได้ไหมครับคือหายใจเข้าไปแล้วหยุดสักพักนึงก่อนจะปล่อยออกเคย อ, อยู่กับความนิ่งตรงนั้นได้ไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคได้นีก้ก็อาจจะได้หน่อยหนึ่งนะแต่จริงๆถ้าเราสังเกต ขณะที่รู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกอย่างนี้จริงๆผู้รู้ตรงนั้นก็นิ่งอยู่แล้วอย่างนี้อ่านั่นแต่ถ้าใครอยากจะให้รู้จักนิ่งๆก็อาะลองหยุดสักนิดนึงเนะี่ยให้รู้ว่ามันนิ่งๆอย่างนี้อือโอเคดิเขาบอกให้ใช้มีบางสูตรเดี๋ยวนี้บอกใช้โยคะกับการภาวนาคือเขาก็ไปทำโยคะ แล้วก็รู้พรานาะไอ้ น, นี่มันก็เหมือนแต่งเติมนะครับไอ้ น, นี่ยผมว่าอาจจะได้ผลแค่ระยะหนึ่งแค่ น, นั้นน่าจะเข้าใจถูกต้อง็อาจจะมีวจจะความตื่นเต้นแตเดียวกระดาวเงี้ยก็อาจจะลักษณะว่าดีกว่าไม่ได้ทํามั้งนะก็รู้ตามการเคลื่อนไหวรีบบดนะน่ะนะแต่นี้เขารู้ตามการเคลื่อนไหวรีบบทเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาสังเกตไหมเระว่าอืม จิตเนี่ยมันเคลื่อนจากการเคลื่อนไหวรีบทไปยังไงบ้างทีนี้มันต้องมีการปรุงแต่งทางกายที่จะเปลี่ยนในรีบทไปเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องมีการคิดมานิดหนึ่งละ่ะแต่สมมุติว่าเดินจงกรมเนี่ยเมื่อเดินจงกรมเนี่ยเราพอเดินไปเดินไปเนี่ยเราไม่ต้อง ทำกายสังขารให้มันปรุงแต่งไปอย่างอื่นนอกจากการเดินอย่างเดียวก็รู้แต่การก้าวไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้าลักษณะของโยคะเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะมันจะมีการปรุงนิดหนึ่งการปรุงนิดหนึ่งเป็นระยะระยะตลอดนี้ถ้า อ, อยู่ท่าเดียวตลอดนะถ้าเดินก็ก็เดิน จิตก็ไม่ต้องไปคอยปรุงแต่งว่าเอ๊ะจะไปเดินเลี้ยวซ้ายเดินเลี้ยวขวานี่จะต้องนั่งลงไม้หรือจะต้องเมื่อไหร่ถึงจะยืนอย่างนี้เพราะการที่เวลาโยมจะขึ้นไหวลิบหลดปุ๊บเนี่ยกายจะต้องคิดก่อนสมมติว่าโยมนั่งเฉยๆก็ไนดะ้นั่งนิ่งๆเวลารู้สึกว่ามียุงมากัดอยากจะเกาปั๊บเนี่ยเอาละมันจะคิดก่อนแนละ้วเอ๊ะ จะเกาดีไม่เกานะพอใจใจสั่งปุ๊บมือไปละไปเกานะนั้นจริงๆการเคลื่อนไหวใิบททุกอย่างเนี่ยใจสั่งก่อนหมดต้องมีการปรุงแต่งขึ้นมานิดหนึ่งก่อนถ้าโยมตั้งใจไม่ให้กายเนี่ยขยับเลยเนี่ยจะเห็นแล้วว่าพอกายจะขยับเนี่ยคิดก่อนละนิดหนึ่งขอขยับกายหน่อยอ่าอย่างนี้ แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เอามาทําร่วมกันเลยน ะ, ะ, ะนอ่าะอ่าอ่าใช่ใช่ใชได้ความสงบความตั้งใจมั่นระดับหนึ่ง ใช่ครับช่วงวันได้สาขานี้ได้ไปออกงานที่เขาจัดไหมครับ อ, อไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> อ, อมีอาจารย์สุจินเนี่ยไปอาจารย์สุจินกับคณะพระไปอ่า อ, ออกงานที่นั่นแล้วก็ เอาหนังสือซีดีไปแจกที่นั่นก็ามาก่อนหนังสือซีดีที่นี่ไปแจกแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์พุทธวจนะเห็นเขามีการเสวนากันหลายเรื่อง mm. แล้วผมก็หลายท่านกัน huh. แต่ว่าไม่ค่อยมีใครที่จะพูดถึงวจนะสักสัก รับองค์จะพูดอะคนละประเด็นนี้อืมหมายถึงเข้ามาเข้ามาถกกันหรอกกหรือว่าเรื่องภัยพุท ธ, ท ธ, ทธศาสนาเงี้ยครับอืมท่านก็ต่างเสนอไปคนละเรื่องอย่างพระพี่มาจากพระใต้เขาก่อนนั่นก็บอกว่าอ่าศา ส, สนาคนอิสลามเนี่ยใช่ไหมครับ ตอนนี้เขาเรียกร้องมากแล้วก็เขาจริงจังกับคําสอนของศัจจะเขามากถ้ากดเกณฑ์อะไรที่ไปขัดกับคําสอนเขาเขาก็จะออกมาต่อต้านทันทีอแต่ทีนี้ที่เสวนากันทั้งหมดนะครับไม่นมีใครยกว่าเจาพูดเราควรจะฟังคํสาสัจจะของเราอะไรเงี้ยครับมันก็จะเที่ยงพูดไปคนละประเดน็นเห็นไปคนละประเด็นหมดเลยอย่างเงี้ยช ผมเองเแต่เีอาจา้างคนเดียวสินเสนอที่ยกประเด็นเราก็จะเห็นว่าแม้แต่พระเองก็ยังหามาตรฐานไม่ได้นะไม่รู้อะไรคือมาตรฐานต่างคนต่างเอาความเห็นจริงๆไม่ยากหรอกแล้วจริงๆภายในพุทธศาสนาไม่ได้เกิดจากภัยภายนอกนะพุทธเจ้าบอกไม่ต้องกลัวภัยภายนอกภัยจากภายในด้วยกันเองเนี่ย นณวันนี้เนี่ยพุทธบริษัทยังไม่รู้ว่าจะต้องมาศึกษาคําศาสดาตัวเองใช่ไหมแม้แต่พระก็ยังไม่ชัดเจนแค่นี้ก็เป็นภัยแล้วเนี่ยเอาเอาภายัยภายในให้มันได้ก่อนนะะสามารถขี่กันหรือ ย, ยังมีหลายนิกายมีหลายสายพุทธก็มีหลายสายยังไม่สามารถขี่กันเองเลยอย่างเนี้ ย, ยอืมไปห่วงภยัยภายนอกภยัยภายในัยเนี่ยอันตรายที่สุดเลย เมื่อไม่ชัดเจนในคำพระศาสดาก็ทำกันไปกลยอย่างสองอย่างถ้าพุทธชัดเจนแล้วนะร0อยเปอร์เซนทั้งหมดใช้คำพระศาสดานะทีนี้ไม่ยากอะเยอะจะแก้เรื่องความเห็นศา ส, สนาต่างๆเนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยประกาศคำสอนของศาสดาตัวเองมาเลยว่าอะไรที่แท้จริงเพราะอาตมาก็เชื่อว่าที่อิสลามนะ หรือคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคําพระเจ้าเขาก็ไม่รู้จริงเหมือนกันนะนะหลักฐานไหนที่คุณคิดว่าเป็นคําพระเจ้าของคุณให้ประชาสัมพันธ์มาเลยประกาศแล้วขอให้ยอมรับกันโดยทั่วว่าของเขาเนี่ยคืออันเนี้ยคือถูกต้องแล้วเอาหลักอันนี้เลยไหมเห็นไหมมันก็ยังไม่มีอะเยอะนะใช่เขาก็มีหลายนิกายเขาก็ยังหาหลักเขาไม่ได้เหมือนกันนะ คำพีของเขาคืออะไรอันไหนเพราะทุกวันเนี่ยอิสลามก็อ้างว่านี่คพาพระเจ้าแล้วใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะแต่ละคนก็พูดไม่เหมือนกันไปเจออิสลามบางคนบอกว่าที่อิสลามคนนี้พูดน่ะไม่ใช่จริงๆแล้วอย่างนี้แล้วตกลงอันไหนมันจะเหมือนของพุทธเลยอ่ะพุทธเราก็ไม่รู้น ะ, ะเรากวดน้ำกันเราก็บางกาว่านี่เป็นคำพระเจ้าบอกบังก์ก็บอกเนี่ยพระเจ้าพิมพิสานี่แม่ธอนี เข้าใจผิดกันหมดเลยใช่อ่ถาถามว่าใครรู้จริงแล้วก็อันไหนอะหลักฐานไหนของจริงอย่างเนี้ยอพุทธเราก็ยังงงกันเองเพราะนั้นดูตัวอย่างจากพุทธเนี่ยได้เลยว่ารัที่อื่นก็งงเหมือนกันนะเพียงแต่เราเนี่ยไม่ได้เข้าไปศึกษาของเขาอย่างดีแค่นั้นเองนะเราคิดว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวจริงๆเขาก็ไม่หนึ่งเดียวเขาก็งงเขาเหมือนกัน หนอาหาหลักฐานจากไหนตัวไหนที่เขาว่าของเขาเนี่ยคือหลักฐานที่ถูกต้องที่สุดและทุกคนใช้นี้เป็นมาตรฐานเดียวเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาเมื่อประชาสัมพันธ์สิ่งที่เขาเป็นมาตรฐานถูกต้องเราจะได้รู้ไงมหาชนจะได้เลือกได้ว่าชอบไหมสิ่งบทบัญญัติของเขาทั้งหมดเนี่ยชอบไหมนะอ่าแล้วบทบัญญัติของเราทั้งหมดเนี่ยชอบไหม นะอิสระเลยเลือกได้ตามสบายนะไม่ต้องไปกลัวให้เ <c oughs> พร่อผู้เจ้าเนี่ยให้เปรียบเทียบเลยนะว่าถ้ายังไม่มีศาสดาเนี่ยผู้เจ้าบอกเอาคําของศาสดาแต่ละองค์มาเปรียบเทียบนะในความดีที่เห็นตรงกันเนี่ยศาสดาองค์ใดประพฤติความดีที่เห็นตรงกันนั้นได้ละเอียดละออได้มากกว่าให้นับถือศาสดานั้นไปเลยนะอย่างนี้ นี่ผู้เจ้าแฟขนาดนี้นะเพราะพระองค์ <laughs> <laughs> เชื่อมั่นว่าในความดีที่เห็นตรงกันเนี่ยพระองค์เชื่อว่าของพระองค์เนี่ยละเอียดที่สุดนะแต่มันก็ต้องวัดวัดกันดูนะอืมนอะ่านฮะนะ มีสิยมเยอะแยะเนร่อานต่อไปจะรวยมีเรื่องของทานอาพระสูตรเรื่องพระนางมาริการเงี้ยพระนางมาริกาเนี่ยหนังสือมันยังไม่ได้มีอ่ะมันมีอยู่ในข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยโยมมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นระบบแ n นด o อ d หรือ ของแ p p l e ิไม่ล่ะยมก็โหลดเลยตอนนี้เราทำเสร็จแล้วโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เข้าไปเลยนะแล้วยมก็คีย์คำว่าพานางมาริกาเข้าไปปุ๊บเจอแล้วนะานางมาริกาอยากจะสวยรวยสูงสักถามผู้เจ้าว่าจะทำยังไงที่ผู้หญิงนี่จะสวยรวยแล้วก็สูงสักผู้เจ้าก็บอกหมดใช่ไหม <c oughs> ไม่ขึงเครียด ไม่กโกรธไม่กระฟัดกระเฟียดไม่ฉุนเฉียวเกีียวกาดถูกเขาว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองนะนี่จะทำให้สวยนะอันนี้สงเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานพานะของประทีบคมไฟของหอมเครื่องรูปไล้ทาแก่สมณพราหมณ์นี้เป็นไปเพื่อการล่ำรวยมีโทรศัพท์มากนะไม่เกียดกันตัดรอนนะ แก่คนที่เข า, าลุกลับกลับไหว้ให้อาสนะหรือเขารบนบนบในสมณพราหมณ์เราไม่ไม่ห้ามไม่ขัดขวางเขาอันนี้จะทำให้สูงสักเกิดในตระกูลสูงซึ่งจะไปสอดรับกับพระสูตรที่พู้เจ้าบอกว่า <c oughs> ถา้าสมณะเนี่ยเข้าไปในผู้มีศีลเนี่ย สมณะผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดจะได้อ น, นิสงส์ห้าอย่างในห้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้ใดเนี่ยมันในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยผู้ลุกลับกรา บ, บไหว้ให้อาสนะอันนี้เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนนจะมาสอนรับกันการมีความเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่อสุขิโลกสวรรค์น แล้วการละความตณ์หนีอันเป็นมนทินในนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่ <AR M D> การจําแนกแจกทานตามสติกําลังในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรลนของผู้ใดเป็นไปเพื่อการได้โภคคาอันใหญ่แล้วการได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเลนของผู้ใดเป็นไปเพื่อการได้ ป, ไดนนไ ป, ไดปัญญาอันใหญ่นี่คืออนิสงฆ์5้ายอย่างของการที่ มีนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเลนของผู้นั้น น, นี้ก็จะสอดรับกับที่สอนกับพระนางมาริกาว่าเหตุที่เราทเนี่ยถ้าเป็นเหตุดีตั้งแต่หยับยากันเลยมีอันสมู้เลยมีหมดนเะเค่ะตอนนี้เรียนท า, าคะ่ะเวลานั่งนั่งสมาธิจิตจะออกนอกทะเลาะ ก, ก็พยายามกับทที่ลมหายใ ทั้งชั่วโมงหนมันก็ส่งไปทั้งชั่วโมงจ้าค่ะทีนี้ว่า ก, ก็กําหนดนั่งตอนชา้าเที่ยงเย็นก็เป็นเช่นเดิมแต่ก็จะพยายามนั่งอื อ, อย่างนี้ไม่ต้องกําหนดเวลากําหนดปีอืมขอให้นั่งไปเรื่อยๆจิตจะหายจากสก่งออกนอกไหมจ้าค่ะยมละความเพลินไหมล่ะไม่เห็นพูดเรื่องละความเพลินเลยเออส่งออกแล้วปล่อยมันไปเรื่อยๆหรือไงล่ะละไหมล่ะ าา่่ออออะเถ้ากลับมาลราได้แน่นอนถ้าปล่อยไปเตลิดไม่กลับเราไม่ได้เรื่องของมันสิโยมมันก็เป็นธรรมชาติของมันหน้าที่โยมคือละความเพลินเอากลับมาไปอีกละความเพลินเอากลับมามันไปได้โยมก็เอากลับมาได้มันหนีไปนี่โยมก็เอากลับมานีมันไปโยมก็เอากลับใครจะมีกําลังมากกว่ากันกันนั้วัดใจกันไปเลยใช่ไหมอ่าอ่าใช่ไหม มไม่ต้องกำหนดว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีขอให้นั่งไปเรื่อยๆก็อาจจะมีความเมตต า, าให้ไปถึงจุดหมายได้ใช่ไหมเจ้าค่ะแน่นอนห้าปีสิบปียมก็มาตรวจทีนะว่ามันดีขึ้นไหมใชม่ยมดึงกลับมาเนี่ยได้เร็วขึ้นไห ม, มผู้เจ้าก็บอกวิธีตรวจวัดไปให้แล้วถ้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ก่อนเคยหลุดไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้เหลือแค่ห้านาที สามนาทีสองนาทีอา้าวดีแล้วนี่ดีขึ้นต้องเยอะใช่ไหมตรวจอย่างนี้ไงใช่ไหมแต่โยมอย่ามานั่งดูทุกวันนะมันดูไม่ได้หรอกผู้เจ้าเปรียบเหมือนเครื่องมือช่างไม้น่ะนานๆเนี่ยปีสองปีห้าปีโอเครื่องไม้อา่าเครื่องมือเนี่ยสึกไปแล้วเพราะมือเราจับเนี่ยมือโยมถูอะไรนานๆมันก็สึกไปแต่ถ้าโยมดูทุกวันเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าเอ้ไอ้เลื่อยเราเนี่ยกบสาไม้เรามันสึกไปขนาดไหนแล้ว โยมมานั่งดูทุกวันไม่ได้แต่นานๆโยมมาดูทีเออมันดีขึ้นเนาะอย่างนี้เอา้าแหละมันก็พอแล้วใช่ไหมอืมแต่จากการเกิดสอบอถึงแม้ว่ามันจะส่งออกนอกบ่อยๆถ้าเรียกกลับคืนมามนั่งไปกักชั่วโมงเมื่อลืมตาจิตก็จะมีมีความสุขแม้ว่าจะส่งออกนอกบ่อยอืม นี่คือจากการตรวจสอบของโยมนะคะแต่ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆช่างมันก็จะพยายามเรียกกลับคืนบ้ามแต่ก็ไม่แค่ได้คาดหวังว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีอย่างนี้พอหขาดได้ได้ได้สร้างเหตุนะโยมมีหน้าที่สร้างเหตุนะสร้างเหตุไปนั่งทุกครั้งโยมสร้างเหตุอย่างนี้โยมได้ไรสำมาวายามะได้ความเพียรทำไมจะไม่ได้ ได้สติการระลึกได้ฝึกสติกลับมากับมาได้ตลอดนะ่ะมีต้องหลายมุมที่ได้ได้ความตั้งใจมั่นที่จดจ่ออยู่กับจิตของเราเนี่ยไม่ไปจดจ่อที่ไหนจะเป็นเสียงจะเป็นกลิ่นอะไรมาไม่สนใจสันจะดูที่จิตเนี่ยจิตกําลังเคลื่อนไปปั๊บละเปินกลับมากลับมาโอ้ยมได้ต้งหลายมุมเนี่ยบางคนบอกว่านั่งทั้งชั่วโมงมาหลายอาทิตย์หลายเดือนหลายปีแล้วไม่เห็นได้เลยคือมองไม่เห็นมุมเห็นไหม อเอหมือนกับคนคนทิ้งความพิดอคุสน่ะได้อะไรบ้างพระุทธเจ้าบอกว่าได้สัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องนะได้สัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องได้สัมมาสติสติที่ถูกต้องคอยคัดแยกอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลได้สัมมาส ม, มาธิความตั้งใจมากที่ถูกต้องตั้งใจลงที่จิตเพื่อเคลียอกุศลออกเนี่ยมุมมองเหล่าเนี้โยมต้องมองให้เป็นนะโยมจะได้รู้ว่า โอ้ยที่เรานั่งสมาธิมันได้เยอะแยะนะอาจารย์ชัดเจนมากขอให้พระอาจารย์อธิบายเรื่อยไปจงมากเลยอะชัดเจนมากมันเป็นความละเอียดที่พระศาสดาเนี่ยเข้าไปเห็นและอธิบายให้พวกเราฟังนะงั้นพอเรา เราดูที่พระเจ้าอธิบายเนี่ยเราจะรู้ตามพระเจ้าได้ว่าเออใช่เนาะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ให้เราคิดเองเราคิดไม่ออกนะเราสาวกเนี่ยคิดเองไม่ออกเนี่ยแต่พอฟังพระเจ้าอธิบายเออใช่มันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกระมุมการให้ทานเนี่ยพระเจ้าบอกมหาทานชั้นเลอคือการรักษาศีลให้รักษาศีลมันเป็นทานอย่างไง้นมองไม่ออกนะอ่าแต่พอพระเจ้ามาอธิบายบอกว่าเนี่ยอย่างการที่เธอไม่ฆ่าสัตว์เนี่ย เป็นอภัยทานอเวลทานอภัยยประชาทานเป็นการให้ทานชีวิตไม่มีประมาณเอออาตมาก็มานึกถึงสมัยเราเด็กเด็กตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็จะเดินลงมาเข้าห้องน้ำพอมาเข้าห้องน้ำปุ๊บเราก็จะตกอยู่พัวพัวกข้างกําแพงซ้ายขวานะี่ยเลือดสาดเต็มกําแพงแม้สาดใจนะแล้วมันเกาะก็เป็นแผงนะ่ตกมันมากแบบตายเพียบนะ สัตว์ต้องตายกับเราเนี่ยวันเป็นร้อยๆตัวนะแต่พอเรารักษาศีลปุ๊บเนี่ยเราเดินเข้ามาเราให้อย่าไปมันเอะช่างมันเกาะก็เกาะไปเห็นไหมโอ้ยสัตว์ไม่ต้องล้มตายกับเรามากมายอะ่ะใช่ไหมให้อภัยแล้วเนี่ยเป็นทานแล้วเนี่ยใช่ไหมอืมก็อ่ า, อานในพุทธวัฒนธรรมแล้วก็ยังไม่ไดก็รู้บ้างแต่ถ้ามาซักถามหรือว่า ใช่ใช่พระเจ้าจะเรียกตรงนี้ว่าปฏิปุจฉาวินิตาปริสาโนโอุกาจิตวินิตาคือบริษัทที่ถกกันในคําพระศาสดาไม่ใช้คําของสาวกหรือไม่ใช้คําของคนที่แต่งขึ้นใหม่นะถ้าไปใช้คําของคนแต่งขึ้นใหม่หรือคําสาวกเธอจะเป็นบริษัทที่ไม่เลิศยมจะกระจ่างไม่ได้หรอกถ้าโยอมเอาคําคนน้นคนนี้มาเนี่ยแล้วไปคิดว่าคําคนน้นคนนี้มันถูกเนี่ย มันจะเชื่อมโยงกับคำผู้เจ้าไม่ได้โยมจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไปได้ท่านเจ้าคะขออนุญาตเรียนถามอีกเจ้าคะ่ะขณะที่นั่ง <c oughs> นิมนต์านฉันกันนะคะ <c oughs> ขณะที่นั่งหลับตา <c oughs> นั่งสมาธิ <c oughs> ก็จะมีกายนั่งมีจิตไปสัมผัสกับเสียง สัมผัสกับรูปเวทนาสัญญาต่างๆใช่ไหมเจ้าคะเช่นกายนั่งจิตไปคิดถึงอดีตอ น, อนาคตได้ยินเสียงกลิ่นอะไรต่างๆนี้ล้วนแต่ไม่จิตกับกายเท่านั้นใช่ไหมเจ้าคะน้วนแต่อะไรนะขณะนั่งมีแต่จิตกับกายใช่ไหมเจ้าคะอ้ามันก็แล้วแต่ว่าณนะวินาทีนั้นมันไปตรงไหนล่ะสิ่งที่ไปคือจิต ไปสัมผัสขอพ่อคุณเจ้ะค่ะอาจารย์ครับคือผมอยากจะทราบว่อยเรื่องการละมั่งเว่าาปล่อยางถึงเวลาจริงๆมันปล่อยไม่ได้แค่โยมมานั่งนึกถึงลมหายใจมันปล่อยแล้ว นั้นถ้ากัรู้ลมไว้เยอะๆขณะที่โยมบอกละความกังวลไปก็จิตโยมไปเกาะกับอารมณ์นะถูกอารมณ์ฉุดไปแล้วเพราะโยมไม่ตั้งไว้ซึ่งกายะคตาสติพูะุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายะคตาสติเนี่ยตาจะฉุดเอาพิกษุไปหารูปที่น่าพอใจนะหูจะฉุดเอาพิสุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยัแ ข, ขยง ใจจะฉุดเธอไปหาธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจธรรมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็รู้สึกอึดอัดขยักขยงเพราะโยมไม่ตั้งจิตไว้ในกายหน้าที่เราก็คือโยนทิ้งนะรู้ลมก็ไว้จบแล้วหยุดความกังวลหนะ้าเดี๋ยวนั้นมันไปอีกไปอีกก็ทิ้งอีกนะสู้กันนะ <c oughs> ก็เหมือนพู้เจ้าบอกว่าจับสัตว์หกชนิดมาผูก ด, ด้วยเสาเขื่อนเสาหลักนะเอาสิมันดึงไปสิเสาหลักเราก็อยู่เนี้ยลมหายใจกายของเรา ดึงไปดึงมาผลที่สุดไอสัตว์หกชนิดคือตาหูจมูกเลนกายใจมันก็หมดแรงมันก็จะมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขืนเสาหลังทีนี้โยงก็จะนิ่งละอยู่กับลมไหลเข้าไหลออกนะไม่รู้ใครจะหมดแรงก่อนแลนะต้องสู้กันเออเออแรกแรกเราก็ทำไปเราก็จะหมดแรงก่อนมันนะเพราะมัน <c oughs> มันเป็น เป็นมวยรุ่นใหญ่เรายัางรุ่นเล็กเราก็เลยต้องฝึกไงต้องฝึก <c oughs> ต้องเพาะกำลังของสติสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็ทำได้เองใช้เวลาหน่อยออการ์ <c oughs> นี่มันอธิบายคำว่านิพพานอยู่ฟากตาย <c oughs> แปลว่าต้องตายก่อนจึงจะเห็นนิพพานหรือเจ้าคะ ไม่มีคำพุทธเจ้าหรืมั้งนิพพานอยู่ฟากตายไปเอามาจากไหนมันเป็นภาษาอีสานนิพพานอยู่เลยความตายเป็นนิดเดียวอ่าฮะไม่ใช่พูททวจนานีิไม่เอามาถกหรอกเออเจ้าค่ะเริ่มไปเงี่ยวหูลงฟังในคําที่ไม่ใช่คําศาสดาล่ะเดี๋ยวมันจะมีคําอีกเยอะที่เอามาถกเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่สัจจะอย่างเงี้ยใช่ไหม เหมือนกับคนที่ถามว่า <c oughs> อุปทานเป็นของใครความอยากเป็นของใครใครเป็นคนอยากผู้เจ้าจะตอบอยังไงผู้เจ้าบอกเธอถามผิดผิดมาตั้งแต่คําถามนั้นต้องตัดเลยว่าผิดมาตั้งแต่คําที่พูดแล้วนะเพราะมันตอบไม่ได้วัชชาถามผู้เจ้า ว, ว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนผู้เจ้าก็ตอบไม่ได้ก็เลยบอกว่า ไม่ใช่ตายแล้วไปเกิดใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่เกิดใช่ไหมบอกไม่ใช่ทั้งเกิดทั้งไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่เกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยนะวัชาก็เลยงงนะเหมือนกันนะพระเจ้าก็อุปมาบอกว่าวัชเห็นไฟที่ลุกโผลงต่อหน้าเธอไหมบอกเห็นมันลุกด้วยอะไรเธอรู้ไหมลุกด้วยหญ้าและไม้แห้งถ้าไฟดับไปเธอรู้ไหม รู้ว่าไฟมันดับดับไปเพราะอะไรรู้ไหมรู้หญ้าละไม้แห้งคือเชื้อมันหมดไปแล้วถ้าถามเธอว่าเปลวไฟที่ดับไปเนี่ยมันไปทางทิศเหนือใต้ออกตกวัชฌาก็ตอบไม่ได้อมันปิดมาตั้งแต่คําถามวัชฌาบอกเปลวไฟมันจะไปไหนมันหายก็หายไปเฉยเฉยนะเหตุการณ์พอถามพระหลานตายแล้วไปไหนมันไม่มีอะไรจะไปไหนใช่ไหมอ่าแล้นมันจะตอบไม่ได้ พพุทธเจ้าก็บอกอุปมาอย่างเดียวกันคือเชื้อหมดหมดก็หมดหมดไปเลยไม่มีการมากาันไปถ้ายังมีการมากาันไปมันก็ยังมีตัวที่จะไปไหนน ะ, ะแต่พระลานไม่มีตัวแล้วไม่มีการเกิดแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะไปไหนไม่มีแม้แต่จะให้เรียกว่าเป็นอะไรเพราะเกิดไม่ปรากฏยมจะเรียกว่าอะไรเป็นอะไรได้ต้องมีเกิดปรากฏนะ จะเรียกว่าอิเล็กตรอนอะตอมต้องมีโพลมาสักนิดหนึ่งนะให้เรียกว่ามันคืออะไรแต่ถ้ามีสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นความมีแต่เกิดไม่ปรากฏจะเรียกมันว่าอะไรนะก็เลยเรียกอัตตาไม่ได้เพราะตัวตนมันไม่มีให้เรียก <c oughs> นิพพานจึงบัญญัติอะไรไม่ได้ไม่มีการบัญญัติอะไรในนิพพานวิธีบัญญัตินิพพานของพระพุทธเจ้าจริง บรรดาภายใต้ระบบของสมุดพระเจ้าก็จะบอกว่าอ่ะนิพพานเป็นยังไงก็บอกดินน้ำไฟลมไม่มีในนั้นโยมรู้จักดินน้ำไฟลมแต่พระเจ้าบอกมันไม่ใช่มันไม่มีโยมรู้จักความกว้างไหมความยาวไหมนะความเล็กความใหญ่งามไม่งามโยมรู้จักใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกในนั้นไม่มีโยมรู้จักแสงสว่างใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกว่าในนั้นไม่มีแสงสว่าง แต่ไม่มิดอืมมันก็เริ่มงงๆแล้สวสรุปแล้วมันจะเป็นอะไรก็ต้องไปประเมินกันเราเองใช่ไหมอ่ามันออกนอกก็ไม่ใช่บอกออกนอกมันก็มองว่ามันไกลลิบไกลโพ้นเลยกลายเป็นนิพพานต้องถึงด้วยการไปอี ก, ออกผิดอีกก็ใช่สิแต่ใช้บทแพชนะนั้นก็ไม่ได้อีก ซึ่งมันจะทําให้คนไปคิดว่านิพานจะต้องนั่งจรวดไปจนสุดขอบจักรวาลเหรอโลหิตตาเทวบุตรก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยเหาะไปโดยลิดคิดว่าจะถึงที่ที่ไม่ตายเหาะไปตลอดทั้งร้อยปีตายคาเหาะไปเลยเนี่ยเห็นนะไม่ถึงนะอยู่คนละระบบน ะ, น ะ, ะบบนะเพราะฉะนั้น <c oughs> นิพพานไม่สามารถถึงได้ด้วยการไป แต่ผู้เจ้าบอกว่าในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนีที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาณและใจนี้เองนั่นนะ่ะเป็นที่ออกของระบบนี้นะโยมต้องกลับเข้ามาพินากายจิตอารมณ์ของโยมนี่น ะ, ะเพราะนั้นพูดปั๊บมันก็จะเริ่มผิดเลยต้องใช้บทปัญชนะของพระศาสดาทั้งหมดมันจะไม่มีข้อผิดเนี่แหละเป็นเหตุว่าทาไมเราจะต้องกลับมาใช้บทปัญชนะพระศาสดา พระองค์บัญญัติปัญญัตินิรุตติคือภาษาที่ไม่มีข้อผิดพลาดในการจะอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะธรรมชาติใดๆก็ตามในโลกเนี้โอ้มันมีความละเอียดกี่ประเภทนะมหาศาลใครจะไปรู้และใครจะไปบัญญัติได้ทุกอย่างพอเราไปบัญญัติหมายพวกผิดทันทีเลยเพราะเราไม่สัมพันธ์อยู่ไม่รู้ทุกเรื่องอย่างเนี้ <c oughs> อจินตาคือเรื่องที่ไม่ควรเข้าไปเข้าไปคิดไข้กวนหรือเข้าไปอยากรู้เรื่องพวกนี้ <c oughs> จะมีวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานเอ๊ะมันหอะได้ยังไงตัวมนุษย์มันลอยไปยังไงอา่านวิทยาศาสร์นั่งคิดไปคิดไม่ออกรยรีพู้ไปไม่มีประโยชน์สําหรับการเข้ามรรคผลนิพพานแล้วจะมีส่วนแห่งความวิปลาสความเป็นบาา วิบากของกรรมเรื่องของโลกไอ้พวกนั่งสแกนกรรมทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวมันบ่ายเงี้ยนะอ่าเนี่ยสแกนไปเรื่อยไปเรื่อยนอกจากคุณวิเศษตนเองจะเสื่อมแล้วนะจะมีส่วนแห่งความวิปลาสนะมันจะฟุ้งซ่านนะโยมจิตมันจะส่งออกตลอดนะอ่าก็ส่งออกตลอดก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านนะนั้นอย่างผู้เจ้าเป็นสัพพัญยูเนี่ยส่งออกไปรู้ทุกเรื่องไหมไม่ใช่ หรือเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมาประดังความรู้เข้ามาในจิตผู้เจ้าไหมไม่ใช่ผู้เจ้าบอกว่าความเป็นสัพพัญญูเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อจิตน้อมไปจะรู้เรื่องอะไรก็รู้เรื่องนั้นได้อย่างไม่มีประมาณไม่มีขีดจำกัด น, นะรู้เมื่อต่อเมื่อน้อมไปรู้ถ้าไม่น้อมไปก็ไม่ได้รับรู้อะไรเพราะฉนั้นผู้เจ้าสงบนะจิตนิ่งสงบ ไม่งั้นผู้เจ้าก็เป็นคนฟุง้งซ่านดเดี๋ยวรู้โน่รู้นี่รู้ไอโนดไอนีอ่โอ้โหฟุ้งซ่านไปหมดเลยใช่ไหม พ, พูด <c oughs> แต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานแ ค, เาาแคบเข้ามาใช่เพราะไอเรื่องที่มั น, มนเป็นประโยชน์ชเป็นไปพร้อมเพื่อ น, นิพพานมันก็มากพอแรงแล้วนะคือคาตัด ตั้งแต่คืนตรัสรู้กระทั่งคืนปรินิพานนี่คือใบศีสปาในกำมือไม่ใช่ใบศีสปาในปา่านะอ่าใบศีสปาในป่าเนี่ยคือความรู้ของพระตถาคตที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแต่เรื่องจริงเหล่านั้นเนี่ยไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกาหนัดดับไม่เหลือพืชนิพานเหมือนรู้เรื่องตีกอล์เนี่ยแล้วมันแก้ตายยังไงวะอืม รู้ไปแล้วตายไหมตายเหมือนเดิมแต่รู้ไหมก็รู้อ่ะตีกอลเก่งทํำยังไงอ่ะใช่ไหมผ่าตัดเป็นทํำยังไงอ่ะนะอ่าลิฟท์ทำยังไงกําหนดรู้จิตคนทํำยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะอืรู้แต่รู้แล้วได้นิพพานไหมไม่ได้เหมือนเดิมนะแกเจ็บตายเหมือนเดิมพรหมเทวดาเก่งไหมปฏิหารเก่งห่อเอินเนอรเดินอากาศได้ตายไหมตายตายแล้วพ้นนรกไหมไม่พ้น ผูชเ้าบอกเทวดาพรหม <c oughs> เมื่อเท้าเธอทําการละเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกาเนิดเดชานหรือเปลดวิสัยและพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดอดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกาเนิดเดชานหรือเปลดวิสัยไม่คุ้มมาชาตินี้หอดได้อยู่ดีชาติหน้าไปเกิดเป็นสุนัขใช่ไหมแต่พ้นไม่ได้พ้นได้ทำไงอริยสัตว์สี่ แต่พอเรามาสอนอริยสัจสีอย่าสนใจไปหายตัวดีกว่าดูจิต ด, ดีกว่าไอ้โน่นนี่ใช่ไหมกำหนดรู้ความคิดเขาดีกว่าตื่นเต้นดีมัน <c oughs> มันดึงจิตพวกเราให้หลงออกไปออกจากแนวทางของอริยสัจสีพระศาสดา จ, จึงตรัสกับเกวตัตตว่าเกวตัตะเรารู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาร และอาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งอาเทศนาปฏิหารคือการกําหนดรู้จิตว่าใครกําลังคิดอะไรเทวดาคิดอะไรพรหมคิดอะไรนะศาสดามีความเห็นอย่างนี้ว่าอึดอาดขยักขยงเกลียดชัง <c oughs> มันทวงเวลาเป็นเหตุให้โยมเนิ่นชา้านะอะถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษกําลังจะตายอยู่นี่หมอผ่าตัดกําลังจะมาผ่าตัดเอาออกให้หมออย่าพิ่งลูกศรมันทําด้วยไม้อะไร ใครเป็นคนยิงนะมันชื่ออะไรนะนามสกุลอะไรพ่อแม่มันมีหรือเปล่ากี่คนญาติพี่น้องอยู่ไหนนะตายก่อนพอดีนะพระเจ้าประมาไว้เสร็จเพราะการพูดเรื่องขวางหนทางธรรมการพูดเรื่องนอกแนวพระเจ้าจะห้ามภิกษุไว้หมดเลยบอกยาชีวิตเธอมีน้อยนะ <c oughs> ไม่รู้ใครจะตายเมื่อไหร่เย็นนี้จะตายหรือเปล่านะคนที่ขับรถบนท้องถนนคนที่นั่งบนเครื่องบิน นะนั่งเรืออยู่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่เรือจะล่มเมื่อไหร่เครื่องบินจะชนกันเมื่อไหร่รถจะชนกันอุบัติเหตุวันเป็นร้อยเป็นพันลายเนี่ยทั่วทั้งโลกมีใครรู้เอ้ยเดี๋ยวนาทีนี้เราจะตายไม่มีใครรู้หรอกโยมเห็น okay, นะเขามารู้ตอนที่ป๋งเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเรายังมัวไปถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้พอดีตายก่อนยังมีโยมอยู่คู่หนึ่งอ่ะผู้หญิงผู้ชายมา กุยธรรมะเสร็จลุ่งขึ้นผู้หญิงมาบอกว่าเย็นกลับไปสามีเสียชีวิตแล้วอืแหมมันไวขนาดนั้นนะอืมมันอ น, นิจจังจริงๆเยอะพระเจ้าจึงบอกว่าใครจเจริญอนิอนนจจสัญญาได้ผลเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าจะเหมือนมีเพชฌคาดเนื้อดาบอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาที่จะเอามีดดาบฟันเราให้ตายนะมันต้องรู้สึกขนาดนั้นแล้วเราจะเป็นผู้ไม่เนิ่นช้า โ <c oughs> ยมคิดดูสิถ้าโยมต้องรู้ว่าโยมเดินจากนี่ไปหน้าวัดแล้วโยมจะต้องตายโยมจะเดินชาที่สุดจะระวัง้ก <c oughs> ้าวต่อก้าวที่กําลังเดินไปจะต้องแก้ตายยังไงแก้ตายยังไงทํายังไงจะไม่ตายทยํายังไงจะรอดใช่ไหมโยมต้องขวนขวายขนาดนี้เลยเข้าใจไหมอ่าอย่างเนี้ยน <c oughs> <c oughs> ะ้ <c oughs> เราประมาทไง <c oughs> ใช่ไหมอืม <c oughs> พราะขนาดรู้เรื่องฤาษีสัตเนี่ยมาถกกันเรื่องนี้กว่าจะเข้าใจอย่างแทบแย่น ะ, เ, ะเรื่องปฏิจจสมุปาเรื่องฤาษีสัตโอแล้วเราไปส่งออกไปใส่ใจเรื่องอื่นเนี่ยเอาละเนิ่นช้าไปเรื่อยล ะ, น, ะ, ะ, ะนี่ยไปฉันเลย ช่วง8โ0ง8โมงครึ่งวันเนี้ยอาตมาเทศมิวประเทศไทยออกไปแล้วนะอืมพอดีไม่ได้เปิดให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลอกับข่าวหลังแล้วกันกรับาอาจารย์ที่อยู่วันผมดูทางอินเทอร์เน็ตรู้สึกอาจารย์จะมีรายการทีวีมา <c oughs> อ่า อืมช่องดาวเทียมของโยมกนิกาธรรมเกศรใช่ไหม เ, เขารายการอะไรเนาะรายการมืดอะไรมืดกี่ด้านก็ผ่านได้อะไรเนี่ยอืมจะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้มั้งประมาณนี้นแต่เป็นเป็นช่องทีวีแบบเคบลพวกเคเบิ้ลหรือดาวเทียมอะไรเนี่ยนะมมือือออ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปฉันกัน